ท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาทุกท่านผู้ใคร่ต่อทมสัมมาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพิเจ้าของเรานั้นนับว่าใจประเสริฐเป็นสุขปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามคำสอนนี้ ท่านช่างร้ายท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาตามร อ, อยุคุะบาทขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านจะเป็นสุขปฏิบัติเพอามาปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบประกอบกรรมการกระทาของท่านไม่ไร้สติไม่ขาดสตาง ม, มีจุด มุ่งหมายในสติปัฏฐานสี่เป็นความดีสุปฏิบัติเส้นการปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วดังนี้ก็ได้ความว่าโยมท่านอูบาศกท่านอุบาจิกาทางังายเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ประกอบกรรมทาดีมีปัญญา่าจะได้รับลดพุทธพ์เทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาส ม, มาสมเด็จเจ้าวไว้ประทับจัดเพราะเรามีปฏิบัติในกิจกรรมของชีวิตมีสติไม่ทาดผิดรู้ตัวรู้ทั่วอยู่ตลอดเลยการนั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติที่ชอบแล้วไม่เจือผลด้วยกิเลสเป็นเหตุทำลายชีวิตทำลายฐานะทำล า, า, ายกิจกรรมที่มีอยู่จึงเรียกว่าสุ ป, ปฏิบัติฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัทโปรดตั้งใจฟังธรรม ญ, ญาในวันธรรมสวระนี้ขึ้น1ิคห้าขาเดือนห้าแล้ว แสงสว่างแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์โปรดข้อคิดโดยน้อมนึกระลึกถึงแสงพระธรรมเป็นปัญญาที่ส่งทางนอกทางในให้มีการแก้ปัญหาสืบัปขอท่านพุทธบรัษั์โปรดได้ฟังธรรมบัญญายสืบต่อไปณักนะโอกาสบัตรนี้ ขอเจริญพรโ <c oughs> ยมือหลวงพี่เป็นวันธรรมสุนะรมันเอาเลย์สีดีถีพระจันรลอยเด่นุภาตากลางเดือนของเดือนนี้คำว่ า, ากลางเดือนนี้เมื่อวานนี้เป็นวันโกนปเปลี่ยนการครบ ตัดปริโภคาจังวลเสียให้หมดสิ้นในวันหวานวันโกนเตรียมการมาบำเพ็ญกุศลรักษาอุโบสถให้สดชื่นแจ่มใสน้ำใจงามให้เกิดขึ้นในสันดานชีวิตเป็นข้อคิดในวันธรรมสุนทในวันนี้ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย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 ให้จิตสบายไม่ไปวุ่นวายในวันอดีตมีปรรกะหนึ่งวันโกนเตรียมกาดเปรียมให้ลงเผ็ดเชี่ยตียนจะได้ไม่มีกังวลในบ้านของตอนเหมือนานาำวิสาขามาหาอุบาสิกาไปรัสิงอย่างรักษาสิลอย่างวัดวารามไม่กังวลในบ้าน โจรมาปล้นก็ไม่สนาย ก, ก็มีคติเตือนใจว่าสาวเอ๋ยสาวชั้นรงไปบอกพวกโจรของเขาก็ขนออกไปตามสบายถ้าไม่ใช่ก็เรียปัดที่เราทำมาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากเป็นของรับแต่ท่านคิดว่าเป็นของท่านก็ขนออกไปให้หมดราลบเท่านี้ เรียกว่าสาตริพธ์กังวลเสียเรียกอุาวนโกนเช่นดังกล่าวมาดังนั้นวิสาขาจึงเป็นมหาอุบาจิกาตัดได้ได้บอกพวกโจนด้วยสาวใชยเอ๋ยว่าเขาสั่งมาเก็บไปให้หมดถ้าเป็นของท่านกันทำมาหาได้โดยตนเองพอเก็บออกไป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 ไว้ที่ไว้ทางของนางวิสาขาเป็นซด น, นางวิสาขาก็ไม่คิดอะไรแล้วคิดด้วยปัญญาวา่าของเราก็ให้อยู่กับเราของเขาก็เอาไปเชิดเราจะไม่เสียดายประเดิดในจิตใจของเราก็ไปอยู่กับเราของเขาก็อยู่กับเขา บุญยากมนำแต่งเราแต่งมาเราทำมาก็ต้องอยู่กับรเราเพราะเรารักความดีของเราที่สร้างด้วยความเหยื่อโยตุขามนมหลายโ อ, อกสาสทามาหาได้ด้วยความเหนื่อยยากเหลือเกินอย่างนี้เป็นตน้นถ้าของนั้นมิใช่ของเรานอกกายนอกประเด็นนี้ก็เอาไปเถิด ของขับไปเจ้ า, านี้ทำใสใจอยู่ในตัวของขับไปเจ้าแรกของเหล่านั้นนอกกายหยากได้ตก่อไปเถิดนี่พวกโจรผู้มีปัญญาคิดได้โดยหันมุมกลับเช่นนี้เขาจึงไม่อยากได้ใหญ่ดีเพราะไม่ใช่ของเขาเขาก็ได้คติเตือนใจอีกมากหลายสำหรับพวกโจรใครฉะนน อันนี้ขอท่านอูมบาชก อ, อุมบาสิกาคิดว่าที่นั่งอยู่นี่เป็นของเราใส่ใจเสืเถิดเอาไว้แหแน่สนิทติดเป็นเพชรทั้งดวงใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีฝ้าวางแต่ประการได้ฝ้าอันนั้นไม่ใสเพราะติดอยู่ในคำนี้เพชรน้ำหนึ่งในดวงใจทุกคนไม่ชอบสร้าง ถ้าจิตใสใจสะอาดหมดจดปราลบธรรมของไหนเราเราจะไม่มีทางจิตตั้งสันดานจิตตั้งใจถึงอยู่ตลอดในการคือจิตสูงใจเป็นพระปฏิบัติอยู่ในใจของท่านแล้วเงินจะไหลนองทองจะไหลมาแน่นอนที่สุด ขอฝากวิมุตย์ไว้เป็นความตั้งใจในวันทำสวนนัสนี้มีประโยชน์มากหรือเกินยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ให้ท่านฟังสำหรับผู้สุปฏิบัติปฏิบัติสุปฏิบัติแปลว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติโดยชอบนํามริกโดยการผลงานก็เกิดเป็นพระปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโน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 เป็นของนอกตายซื้อมาใส่ประดับรางกายให้สวยแต่ก็ไม่รวยเอาดีไม่ได้ฉันจะประดับอีกกี่ร้อยชักี่พันตำลึงท่านก็ไม่สามารถจะดึงความดีของทาง่านแม่สนิทติดไว้ในหัวใจได้ท่านจะเป็นคนไร้สาระขาดเหตุขาดผลอยู่ข้างตน้นเกิดมา ไหนเลยเราจะดีได้มีนาคตคงไม่กล้าลบเรื่องนี้แล้วขอฝากท่านทั้งหลายด้วยในที่ประชุมนี้ในวันทันสุนะอุโบสดมีกำหนด24ชั่วโมงแต่การสุปฏิบัตินี้ไม่ำํำรับชั่วโมงรักษาได้ตลอดการและเวลาจนชีวิตถาไม่ให้จิตใสใจสะอาด ปราจากมนต์ทิมคือความเช้ามองใจจิตสันดานก็เกิดเป็นเพชรเด็ดเดียวอยู่ในหัวใจนี่สิงเงินจะได้ไหลนองทองไหลมาเกิดได้ยกตัวอย่างเรื่องวันนี้มีชัดเจนอาตมาปราชนาดีต่อประชาชน เมื่อสามเดือนผ่านพ้นไปแล้วการละครั้งนั้นกรมประชาสงเคราะห์อยากได้ต้นสาระเอาไปปลูกที่เกสการนนบุรีเป็นต้นจะปลูกในวันลดน้ำดำหัวห้คนเรารู้พระคุณของท่านผู้มีประคุณบันปูหลุดกาลุมนึงนำมาจะทำอย่างไรเกิดอนิจังทุกขังอนตตา ตนสาระต้นนั้นโดนรถเหยียบหลังปุตติอัตมาไม่แน่นอนมีอยู่แล้วยังลดหลุดมือไปได้โดยรถน้ำแขังมาถอยหลังชนต้นมานี่แหลกลามตายขาที่อย่างไรดีก็จะไม่หมดโอกาสที่กรจะจับมั่นขั้นให้มันตายว่าจะต้องสมหวังอย่างนี้ แต่เขามาลับในวันนี้จะไม่มีให้ทำอย่างไรผู้มีปัญญาปฏิบัติกรรมาฐานแล้วจะได้บอกโอ้โอ้โลกมนุษย์ไม่มีความเที่ยงเลยเป็นของเราประทังวางไว้แล้วยันปรับกลายพลายไปสิ้นนี้ปรับกลายเป็นของอื่นต้องหมืน่แนแสนไม่แม้เหมือนจะแช่เชื้อ อย่าจับมัน่นธนัตตาผิดหวังไม่ได้ให้ท้องให้เขาไปก็เสียใจเป็นการเศร้าหมองสำหรับบุคคลผู้มีลคาไล่ปัญญาจะเอาที่ไหนให้เขาเล่าท่านผู้มีปัญญาในวันธรรมโส น, นี้โปรดพิจารณาโดยปัญญาเถิดนี่เที่ยงไหมแน่ไหมนอนไหม ถูกไหมต้องไหมไม่ถูกไม่สอบแต่ทั้งหลายอย่าสงรงตาตาอย่าหวังเลยว่าของนั้นเป็นของเราแล้วกลายเป็นของคนคอื่นทลายไปเกิดขึ้นสร้างอยู่แปรตัวดับไปของเขาหาความแน่นอนในใจก็ไม่ได้ด้วยจึงต้องฝึกเป็นสุภปฏิบัต เป็นพระไว้ในใจเป็นผู้ร่วงรู้ดูให้เห็นเป็นพยาติหลักฐานในการที่กล่าวแล่มมีประโยชน์มิใช่น้อยสำหรับตัวท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาเอ๋ยอย่าละเลยข้อสุปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระสุปฏิบัติจะเป็นโยมหญิงโยมชายสาวแทอยังใดก็ตามเหมือนกันหมด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 มีความหวังตั้งใจอย่างนี้ไว้เถิดจะประเสริฐในวันหน้าจุดนี้ไม่มีใครทราบไปสร้างแต่ความผิดหวังสังก า, ายสิ่งนี้ไหนเลยละบุญยกละสีจะช่วยตัวให้ดีในอนาคตไม่กลาลบดังเล่าแลบนี่ข้อนี้เป็นจุดตัง จุดลุ่งจุดแหวนจุดตะแคงตั้งของโรคมนุษย์เป็นอย่างนี้เวลาก็ไม่เท่ากันไปเย็นเวลาประเทศไทยขณะนี้ตอนบ่ายชายหางตาประเภทหนอกกําลังจะได้ผรุ้นจะสว่างแลว้วก็อนี้ตางกันโดยฐานะต่างกันโดยแผนที่สร้างตามกันโดยสิ่งแวดลรอบ ตามแต่โดยชาติภาษาเท่านั้นแต่เวลาที่แน่นอนคืออากาลิโกไม่จำกัดการเวลาทุกประการความดีอยู่กับเราเล็นแต่ไม่เอาดีมาใช้เป็นประโยชน์โจ ท, ทิพนแต่ประการไดของนั้นจะไล้ค่าชีวิตจะขาดนจะไม่มีกุศลติดตามตนไปในอนาคต ซัมภะยายพบภายบางนาดามเล่าเช่นเดียวกันมีความหมายอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านโปรดได้ค็ดเสียนในวันนี้ว่าของอะไรเป็นของเราที่แน่นอนที่สุดองค์สมเด็จพระนเรืองรุตฤทธิเดชาอนาุภาพของพระพุทธเจ้านี้แสดงไว้ชัดเจนไม่มีอะไรเป็นของเราเลย แค่อาหารทำด้วยมือแช่ๆตั้งไวเป็นสำรับทับคอสแนนอนหรือไม่ยังไม่ทันรับประทานคนอื่นมักินก็แล้วโซจิ้วเราก็หมดหวังแต่แล้วมาตั้งไวสุนัขขาสุมแมวขาก็มากินเฉียก็มีดีหรือมันแน่นอนทำแค่ล้มสับสายกลายเป็นข้ออุ่นิปนไป อย่าหมายความอย่างนี้เลยคิดว่าของนั้นไม่ใช่ของเราทําก็มือเองซื้อลงทุนด้วยตัวเองแต่คนอื่นเขาหิวมาเขาไม่ทราบเขาเขมานั่งรับทานเป็นของเขาไปเขากินแล้วเขาก็อิ่มชื่นใจเป็นอาชินเราทําเหนื่อยยากมาแล้วมาเด็กินเพราะเหตุดังลือแล้วสังหลายต้องรีบกกินซะ รีบแพ้เจวรีบพายเจียตลาดจะวายซ้หรูซ้าไะใช้บวชจนะน่คิดว่าเป็นสาวหน้าท้างขาวคิดว่าไม่ตายในวันนี้จะอยู่ย่ำยืนไปถึงหมื่นปีหรือเประการได้เกิดมาเท่าใดต้องตายหมดเท่านั้นมีความหวังอย่างไรนี่แหลทสำหรังหลายเ อ, อ๋ยไม่มีทางแล้วรีบกินรีบทบด้วยตนเองกินไส้เอม เชิญจ้าเร า, า, าถามกับล้มกับตายไม่ได้กินไม่ได้อยู่ปลูกเรือนใหญ่ยังเคผาหาดแต่ให้คนอื่นอยู่หมดนี่หลือของหับปลูกไว้ยังไงก็ไม่ได้อยู่คูก็ไม่ได้นอนอาบอหลงไหล ย, ยังไงเลาเป็นของเรารีบเจลีบพายียดทอรีบไป ยิ่งหยุดยิ่งไกลยิ่งไปยิ่งถึงอย่าลำพึงอย่างอื่นยิ่งหยุดมันก็ใกลเดินทางมาหยุดมากก็ไหลออกไปยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งไปก็ยิ่งถึงลําพึงลําพานอย่างนี้สี่พี่น้องอุบาสก อ, อุบาสิกาทั้งหลายมีความหมายมิใช่น้อยจะไปหาพระสูปป่ปฏิบัติ พระสุปฏิปันโนกันทั่วไปผิดหวังแลว้วพระพุทธเจ้ารงสอนไอเอาพระใส่ใจเป็นที่พึงติดตัวตนสามไปพระออกหน้าพระกอออกหน้านำทางคือพระใจประเสริฐพระของเราคือพระสติสัมปชัญญะนำทางให้จิตเดินทางด้วยความถูกต้อง เราตายพระกอนนำทางให้ไปสู่เมน้นำทางขึ้นเมนเพื่อเผาพระนั่นแหละเป็นผู้นาทางถ้าเราเอาพระมาใส่ใจมีพระประจําใจมีพระประจําบ้านมีพระประจําเมืองไมไงแ่แต่ทายเพือนแพ่นแสนจะทิตสา ม, มารถจะแผลงฤทธิ์กลายเทศเป็นเทศรษฐีได้เพราะพระนำทาง พนทางดีแล้วถูกต้องแล้วเช่นนี้นั้นทำไมเอาใครไปนำทางเอาผีกับจเจ้าไปนำทางผิดวังตายไปแล้วตายไปแล้วกล่าวว่าพูดโทร阿拉หังอิตเปโซพาคาวาพระเป็นที่พึ่งแล้วไกลจากฤทธิ์แล้วนี่เนี่ยนำทางอย่างนี้การจะไม่หลงทาง ก็จะเดินทางไม่ผิดพลาดโดยวิธีนี้ประการหนึ่งท่งานจะมีที่พึ่งร็จตัวไปอย่างนี้ถูกต้องโยมอาตมาด้วยตายพระก็ต้องนำทางเป็นปริศนาธรรมเราก็เอาพระมานำทางทีเดียวนี้เลยไม่ต้องรอตายเอาพระไปนำศพขึ้นปลาลบทกี่เมตร อย่างนี้ปริศนาใหคนอื่นได้เห็นว่าเรามีพระนำทางและรุยยานที่ไปงานศพไม่มีเลยรอเวลาจะตายเอาหลวงตา ม, มานําศพไปขึ้นเมนอย่างนี้หรือหมดโอกาสแล้วเขาสอนคนเป็นให้ทราบว่าไปไหนเอาพระนำทางนะเบิกทางคือพระจะขึ้่อนบานใหม่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 คนนั้นจะหลงทางอีกไกลแสนไกลจะไปถึงที่หมายไม่ได้เลยดูตรงนี้ไม้ชายอยู่ที่อืน่นดังที่กล่าวแลว้วดังนั้นและดังนี้น่ขณะนี้เป็นของเราแลว้วจิตเป็นสุขปฏิบัติหมายความว่าใคารซื้อไป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 โลกเอ๋ยโลกมนุษย์เดินเวียนวนกันอยู่อย่างนี้หาทางออกไม่ได้เหมือนเดินอยู่ในเขาหวงกอดออกไม่ได้หลงอยู่ที่เขาวงกอดไม่ปราลปัญญาสามารถจะแก้ปัญหาได้กระไรเล่าขอ ท, าาท่านสาธุชนโปรดได้ตั้งใจเสียใหม่ตั้งใจเชื่ดีเอาพระนําทางเสียบัดนี้ การจะมีความถูกต้องจะอยู่ก็อยู่ด้วยความถูกต้องจะกินก็พิงด้วยความถูกต้องสนอนก็มีพระประจําใจนอนด้วยความถูกต้องดูครอบครัวว่าสิ่งใดอยู่สิ่งใดหายนี่พระนําทางความถูกต้องนอนสุขหัวชม ไม่รู้ของจะหายไปมาลัยนี่มีพระในบ้านนั้นจึงไม่เข้าใจสิไปโทษการของหายเป็นเช่นนี้เป็นต้นจึงไร้ค่าไม่มีพระนำทางของท่านท่านเจ้าผิดหวังจะมีแต่ความวุ่นวายหายนะในครอบครัวตลอดรายการทะเลประวามพี่ระหวาม น, น้องตลอดรายการ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 การจะมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีพระนำทางคนที่มีพระนำทางจะมีโอกาสดีกว่าคนที่ไล่ค่าทาดพระประจําใจไม่ต้องไปหาเพื่อลรัของขรังที่ไหนพระประจําใจเป็นพระประจําทางให้กิตให้เดินทางไม่คลาดผิดในสังคมของคนไทยมีข้อนี้เป็นข้อหมายอย่างยิ่ง แต่เราทุกสิ่งไม่เอาเอาพ่อแม่ที่ไล่สะลระนำทานพี่น้องไม่เคยเข้าวัดเอามานำทานเธอจะผิดหวังในวันหน้าเสียใจต่อเวลาการของเธออย่างนี้ขอฝากไว้ไปคิดดูก่อนคนอื่นหรือจะช่วยเราไดา้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยจะช่วยกันได้หรือเพราะว่าใครตัวมัน ทางคนต่างช่วยกันจึงจะดีมีปัญญาบางคนมีไรคาหรือเกินหน้าเศร้าใจแทนเพราะผิดพลาดหลงไปเวียนวนอยู่ที่บ้านของตนเวลาจะออกจากบ้านมันจึงมืตมดตายเมื่อใดหลงทางเป็นสัมเวสีหาที่อยู่ไม่ได้ไม่มีพระนำทางให้เนี้ย ขอฝากไว้หลวงพ่อวัดไหนจะนำทาง น, นี่เน่หลวงพ่อสติี่หลวงพ่อสมบัชัญญะไม่ลดละภาวนาเป็นการนำทางได้ดีที่สุดอยู่กันหลายคนสะไใครเป็นผู้นำก็ไม่ได้เพราะเขานำเราไม่ได้เขาก็บอกเขโกเรโลเโลหลายหลักปักลงไปหลักหลวง เอาแน่นอนบอกไม่ได้โดยทำนองนี้มีมากลายในสังคมของรักไปที่นาแสดงความเสียใจบางบ้านลูกจะมาไม่ให้มาลูกเอ้ยรักพ่อแม่เห้ออยู่ที่บ้านดีกันไม่ต้องมีพระน้ำทารสวดมนต์กี่หมื่นจบก็ไม่ได้พ้นก็กุศลไม่มีอยู่ตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องไปว่าคาถาให้เงินไหลมาทีมาว่าคาถาเงินก็ไม่ไหลทองก็ไม่มาเพราะคนนี้ไม่มีกุศลไม่ได้สร้างบุญสร้างจะบาสร้างจะความหายย น, นะสร้างจะความไม่รดละอย่างนี้ไหนเลยแล้ว่ารจะทำงานด้วยความถูกต้องเอาแก่ใจตนเองตลอดเลยการ แล้วเหตุการณ์นั้นจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปที่ไปที่นาที่ใดอย่างนี้ผันมาหาเหตุทอนด้วยกุศลเทศนาในวันนี้เราขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ขอบกานอย่างยกตัวอย่างต้นสาระจะให้กรมกากรมประชาสาะแต่แล้วก็มั่นใจว่ายังอยู่ เป็นของเราอยู่ที่วัดนี้อยู่ที่กุฏิด้วยลาชาหลุดมือเสียหายเอาที่ไหนให้เขาก็มานั่งเศร้าใจเสียใจก็จอย่างนี้หรือเสียความพูดยังไม่พอเสียสจด้วยแต่ก็หันมุมกลับอิกนิดนึงอันนี้จางไม่เที่ยงทุกขังมีแต่ความทุกข์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 คนก็อยากเข้าวัดอีกคนหนึ่งชวนออกจากวัดไปปฏิบัติในโลกเียนวนอยู่อย่างนั้นแก้ปัญหาด้วยน้ําตาแก้ปัญหาด้วยความร้องไห้แก้ปัญหาด้วยมันนั่งมือก่ายหน้าผาแก้ปัญหาด้วยกินเหล้าแก้ปัญหาด้วยเศร้าใจปัญจมืดมิดหมดโผกาบเหมือนไม่เหมือนก็จําลอยเหงื่อาคาดังกล่าวเชื่นอยู่กาน ดังนั้นการปฏิบัติจึงมีประโยชน์นี่ยกตัวอย่างตมมาก็ต่างอธิษฐานจิตที่บุญกุศลที่ทำมาว่าขอต้นสาระถึงโปรดประทานมาให้เขาให้สมหวังมีอำนาจบุญอำนาจคุณประโยชน์ที่ทำต่อประชาชนเขาก็เสื่อะสนไปหามาเมื่อวานนี้บอก วันชัยหนอวันชัยคุณขับรถเธอจงโปรดกรุณาไปเที่ยวหาตามวัดมาให้ได้ตามความประสงค์เก อ, อเช้าประสงค์หอนรอนถึงจากลิงเทวลาบอกชัยเอ้ยไม่ต้องไปส้นนี้มันแอบอยู่ที่กุดกรรมฐานสองต้นก็ไปเอามาได้มีเห็นไหมชัดเจนไหมได้แล้วจิตมันตั้งใจมันถึง เทพยาเจ้าก็โดนบางานช่วยเพราะเราซื่อสัตย์สุดจริเตเป็นนิสัยนประหยัดให้มันหันหลังให้อบายยมุกนี่เกิดความพิมีิหารของบุญทำให้เกิดจ้องหอนไปเอาต้นมาให้ายาสองต้นแต่แล้วเราก็เขาขอต้อนเดียวให้สองต้นตามเทธิฐานไว้ได้ผล แล้วเมื่อสักครู่นี้ให้ไปแล้วอันนี้สงเกิดงอกได้แล้วบมื่คืนนี้อาจารย์เหมาไหลกเกษตรศาสตร์บอมเขียนได้ให้นักนศึกษานิสิ์นำมาถวายสองก้อนได้กำไรอยาหพดหมดรงใจอยากไม่จงไปเชคร ข, า, ข, า, ขาหลวงพ่อปาน ตีต้องแสนจบไม่เคยตักบาทหน้าบ้านเลยนี่ได้มาแล้วนี่เห็นไม่งอกได้ไหมมาตีงอกได้ไหมงอกได้แล้วนะกลับดีกว่าของเดิมของเดิมต้นแท้นี้เขามาให้อยู่นี่เองเนี่ยบุญงอกได้จนเบ้อเลยเอามาจากไหนเอามาจากเหมาใหญ่เกษตรศาสตร์ข้อใดล้อนทิ้งซะยิงส่งที่พระเมษใหเอามาดูเด้อ เห็นไหมเนี่ยนี่มีพยานนะม่จะพูดเล่นกันสนุกนะไอมันโง่ใช่ไหอาจิตมันหดหมดหลายจะอยากไม่ต้องไปเสียคถาไปหาพระภูมิหมดไปหาพระสุปฏิบัติก็ไอสุปฏิบัติในตัวพ่ไม่เอามันจะลายนะไม่โง้อเขาฝากเขด้วยนะเขาฝากเขด้วยนะเขาฝากแบบมีพ่อแม่สร้างความดีกับลูกทำถูกไปกับหลานยกตัวอย่างเมื่วานแล้วนะสดๆรอๆที่วัดนี้ เมื่อกี้เราให้เสนาธิการอดีตเป็นนผลแต่มาสร้างกุศลเมื่อสมัยสามสปีการละครงค์ท้าวความหลังด้วยเพื่อจะได้จำทานใหม่สิงห์นนใหมภาวนาใหม่มันจะไม่เสียการเวลาของชีวิตเห็นั้มเนี่ยงอกได้ไหยงอกได้แต่ขอให้สนาทั้งหลายไม่ต้องไปเอาพระอรหันต์โสดาที่ไหน เอาแค่อัตมาที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็พอเหลือกินเหลือใช้จะไปเอาที่ไหนอีกไม่ได้เดี๋ยวออกจากวัดนี้จะไปเอาวดโน้นต่อไปวัดไปวัดมาวัดคืบวัดสอบวัดผิดวัดถูกวัดก็ไปเลยหน้าโฉนดออกไม่ได้หน้าโฉนดออกไม่ได้ไม่มีใครเห็นด้วยเที่ใครเคียงก็ไม่ยืนยันออกหน้าสฉนดได้ไหม นะคิกนะคิดนะเจาลงไปลึกเดี๋ยวจะออกมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องของหลวพ่อเนี่ยความถูกต้องความถูกใจต้องคู่กันไปถูกใจคือกิเลสต้องขา่ากิเลสให้ถึงาการรับราชการต้องขา่ากิเลสผู้ใหญ่ให้ถึงขอบละพลิกเอาไปให้แล้วมันชอบใจมันต้องคิดกันมาแล้วก่นเนี่ทําให้มันถูกจดกินิยามดจะได้ไม่ถูกไหม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 ลูกชายเป็นข อ, อลูกร้านกับแกวตาพาพาโลมมาเป็นแถวนี่ลูกนี้ลูกแกวลูกขวานไอ้ลูกเทาหลุ่งตึงตาไอ้ลูกหน้าตาตึงมีมากลูกสิดห้อยง่า ย, ยรับใช้สอยแต่บริกันได้นี่หลายน้องมองทองไหามาให้ไปตะกที้นี่สิบนาทีเท่านั้นมาแล้วอขอกราบเรียนว่าอาจารย์หนุ่ม ถ้าอากต้นสาระมาถวายหลวงพ่อหรือย้นั่นแน่แน่เอางอกไปไหมงอกไปของเราให้ก็ไปต้นแถวนี้ตามพอทิพย์ได้มาต้นสองหว า, างอกเขาอย่างอาตมาที่เ้าอย่างว่าไหนอย่างเท่านี้เหลือกินไม่ต้องไปสูงอาตมาเอาปัญญาของหลวงพ่อไป แตกไขปัญหาได้ลูกจะได้ใส่ยาใส่คอไม่ชอบนะไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ไ ย, มยุว่า อ, อะไรเดี๋ยวเวลาไปกัดเขาปากไปไหลาออกมาเนี่ยให้ไปต้ตนหนึ่งเทวดาพระอินรทรส่งที่ประเทศเอออยากให้จนเดียวทีให้เขาสองต้นซิมีความหมายไงไอ้ต้นนี้ตายต้นนี้ก็แท น, นเยห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เอ า, อางไง้แทนได้มีใช่พบดีก็ไม่ลองใช่พดีแทนให้สองต้นเลยแม่สา ว, วันนี้ถวิ้งแก้วเป็นหัวหน้าตระกอบดีใจล้นเหลือมาก็สมหวังกลับไปทีน่นี้เขาก็อยากมาสวพอช่วยหนูจนทิ่นี่็น่ไหมเนี่ยที่ชัด อย่าไปเอาตำราอื่นที่ตำราที่แม่นอนจะได้ไม่หิวเวลาในโลกมนุษย์เห็นใช่ไหมนี่งอกมาอย่างสองต้นแล้วมาถึงทำไงกินอิ่มอินแล้วโชเฟอร์อิ่มสาทุอิ่มจังเลยนี่บุญงอกได้ไปวัดไหนอดหิวไม่ใช่บุญงอกบุญหดหมดอะไรจะอยากมันหมดอะไรไปอยาก เห็นชัดเจนนะ้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นดูดิม่จะพูดกันไปสวรรค์นิพพานมันมองไม่เห็นมรรควิชาอาจารย์กลังเขียนหลักมาสอนนิสิตนักศึกษามากมายแต่มองไม่เห็นนี่ไปสวรรค์นี่จะนิพพานนิสิตไม่เชื่อถูกแล้วนี่ยกตัวอย่างให้เห็นถ้าเห็นแล้วยังไม่เชื่ออีกก็เ ล, เลวเต็มทีเลยไม่ต้องไปต่อพเป็นยาเอนะใช้อย่าด้ แสงวิยาณมีพลที่จ้องฟ้องที่ไปล่ อ, อเข้ามาเพราะว่ า, าเขาไปล่ อ, อเข้ามาได้นี่ยนังโต๊ะเดียวล่ อ, อเข้ากตะพื้จบปริญญาตรีข้อาหาดีไม่ได้เป็นบัณฑิตยอด่านแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ยในงอกก็อย่าเห็นชัดอ่ะไหนหลวงพ่อยินจานหลวงพ่อจะฝากอะไรไปหาจารย์มาเอาละขอขอบ พ, พระคุณขอบขอบพระคุณขอบพระทัขอบใจด้วย จะไม่ลืมจะไม่ลืมอาจารย์คนนี้ที่หาต้นไม้ไมาให้เห็นไหมไอ้หนึ่งได้สองแต่แล้วก็้อนที่สักรินส่งที่พระเมศเข้าสิงคนขับรถมันก็เซอร์ไปเลยไม่ไปตามที่เราบอกมันไปได้มาข้างกติที่มันแอบคู่วัดบริวารแอบอยู่ตรงนี้สองตอน้นบอกเธอทำไมลูกมาช่องหอนใจครับ มีเห็นไหมเนี่ยสงหอนในใจเห็นไหม เ, เห็นไหมเราคนจะไปสร้างความดีหน่อยสวดมนต์อิปิโซพระาวาเท่ายุกกรเทสถึงเลยอย่าไปเนะ่ไม่ไดีผลจะเป็นบาปเออเปลี่ยนหนทางใหม่ที่พยานเรียกวันนะโยบายตามเหตุผลยกตัวอย่างว่าอาจารย์พระทิศทรงชื่ออธิการ จงไปทางนานนี้สํสาเร็จแต่อาจรทิพย์อาจารย์พรทิพย์ก็เออคุณจะทําได้หรือไม่ได้เอาไม่ฮะมนนหมายจะวันนั่งกายผักสวดมนต์โดยมันงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดี๋วรอนถึงตากคลินเทวาลาทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิเดี๋ยวเสร็จอะไรบอกปัญญาบอกอะไรเป็นตัวปัญญาตัวสติสัมปชัญญะพนวกบวกหนึ่งเป็นหนึ่ง เหมือนสามีภรยาที่ดีต้องบวกกันเป็นคนเดียวกันก็ไม่มีความสุขนี่เห็นไห้ชัดไหมเนี่ยผู้ใดเห็นนะนนนะถ้าใครไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปเขียนวิยจัยผลเขียนลอบไปลอกเข้ามาไอ้คนหนึ่งไปวิจัยชักทายหาไอ้คนหนึ่งก็ต้องวิจยัยเขียนตามเขาไปลอกเข้ามาไม่ได้ผลเพราะไม่มีความรู้ประจําตองไม่มีความรู้ประจําตัว เขาในหลักที่ว่ามีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตำราจะไปพูดทีจะไปชำทีไปเปิดตำราค้นหาแทบแ yeah! ย่นี่ยากระสบมาเองเขาอกเาเอาเรื่องจริงไปใช้หรือเอาเรื่องปลอมตามใจไม่เว่าก็ไรแต่ประการได้ขอฝากญาติพี่น้องของอาตมาวัดในที่ประชุมนี้ที่งอกได้งอกได้เลย ความไว้สุดใจเป็นภ่าสุปฏิบัติเราจะไปหาตามวัดอยู่ที่ใจนี่มาวา น, นีนหนึ่งปลเอาไปถาวายเจ้าคณะเพื่อมนภะพระไปเยอะไม่มีเลยมือเปล่านี่ไม่เปล่าเนะี่ยสวดมนต์ได้ 1, ได้พันห้าได้พันห้ามาวานนะเมื่อวานได้พันห้า หนึ่งพันไปฉันไหนไมีญาติเขามาที่นี่น้องพ่ อ, อคะลูกรถทนตายเผาไปแล้วไม่มีจะตังค์บางสกุลไม่มีเลยจะนีมนฆราศลายอ่ะสิบเ้าเท่าอายุลูกลูกไปมาเติใจไไปบวกกับเขามาดิฉันไม่มีจะตังค์เลยน้องพ่อยไม่มีจริงจง มีม้นทราสิบเก้าเทาดูลูกแล้วก็มาไม่มีสตางค์ถวายเลยหนูจะทำอย่างไรคือแม่ผมเขาเอาไปเลยหนึ่งพันเอาไปเลยตังใครอาตมาก็ถวายส่วนตัวเห็นไหมเนี่ยไปกอบุญให้โยมอีกทีแม่มาสีถวายสมาหนึ่งพัน เดี๋ยวจะไปต่อบุญให้เขาออกดอกให้บุญออกดอกได้ออกได้บุญยัมิชีของชีวิตวันนี้ก็ต้องพูดให้เห็นเอาไปหนึ่งทานน้ำตาล่วงเลยกรอบกราบเท้าน้ำต า, าละละพรุ่งนี้จะ บ, งจบังสกุลให้ลูกเสร็จวันก่อนมมววนึกว่าไปถวายนี่เมนูไปเฉลี่ยให้ดีนะลูกนะ อย่าให้เกินโกงตาไปขยิมทุนเข้ามาทำบุญให้ลูกหลวงพ่อทำบุญต่อให้เขาบุญที่นาฐาตอนการถวายไว้พันหนึ่งและคนอื่นโ น, น, น, น้มอีกห้าร้อยพันห้าวันนั้นเมื่อวานมีพันห้าเดี๋ยวจะต่อเป็นหมื่นห้าต่อเป็นแสนห้าขอได้ ไ, ดไหมติดถึงไหม เอาพันนึ่งไปเลยอุติเดียบอกของพ่อมันต้องห้มากแหมร้อยเดียวะก็พอไม่พอหนูพระสิบเก้าองค์ไม่พอพระขึ้นราคาแล้วพระเขาบอกเขาขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาตามเงินเดือนราชการใ น, ม น, ราารรรนเมื่ขึ้นราคาทัานพระทั้งราชการแล้วนี่เอาแปะการค้ารีบขึ้นราคารอคอย เคยขาวบาทขายสามบาทเลยฮพระคือราคาบาทราชการบาทนึงก็ต้องขายสามบาทมีเห็นไนักเศรษฐกิจกเอามาจากไหนมาจากพระสุปฏิบัติปฏิบัติให้ได้ใี่จะไปหาวัดโนด อ, ลอัลลหันบางทีรถทัวร์เข้ามาต้องห่อเลยวัดนี้เป็นอัลหันหรือเปล่าบอกเป็นแต่อัลเหตใครมีทุกข์ก็เหตไปหาคนทุกข์ แล้วคนนี้มีทุกข์ก็หันเหเล่เขามาหาคนที่มีทุกข์บำบัด ท, ทุกข์บำรงสุขให้ชื่นใจนี่พระอย่างนะแต่จะโยมไปหาพระหลับหูหลักตาพระอราหันต์ไม่ต้องสอนประชาชนพระไม่สอนประชาชนคือพระไม่ใช่สู่ปฏิบัติตามลอยอยคนบาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริเจ้าสอนประชาชนต้องตายข้างทางเดินระหว่างคนหลังต้องผู่เรียกว่าปลาปลีผา ก็สูดในป่านะแล้วก็ตายในป่าด้วยป่าตัวนี้ไม่ใช่ป่าอย่างนี้แปลว่าป่า ส, บสงบจิตใจปลาลดธรรมนัติสังติพลังสุขขังสุขอื่นทเยี่ยความสงบไม่มีแล้วในโลกขอฝากไว้อันนี้มีมนมาทางนี้ก่อนมนขึ้นมาทางนี้ก่อนเน่ขอฝากไว้นะอย่างนี้พันหนึ่งเอาไปเลยหนู ลูกศิษย์ลูกหาคิดว่าจะให้เพียงร้อ100ยเยี่ยวร้อยเยี่ยวหนูไม่พอพระสิบเก้าองค์ไม่ยกตัวอย่างว่ามาัตรีถวายตมามาพันห้าพันหนึ่งออกดอกแค่ยะแต่โยมถวายตัมมาพันได้พันแต่ตัมมาเอาของพันบาทของโยมมัสรีไปถวายต่อไปถวายท่าในสิบเก้าอออกดอกแล้ว อาตมากินเปอร์เซ็นโยมมสีเขาอาตมาไม่ใช่นักธุรกิจเป็นชาปิชุไม่จะ่นีน า, ข, าข้าก็ขอเปอร์เซ็นต์หินก็ลกนแล้วกันเลยอาตมาก็ได้บุญกับมาสีด้วยเห็นด้วยไหมเนี่ยแล้วมาสีก็ทำบุญแค่พันเดียวตรงนี้อาตมาเป็นผู้จัด ก, การธนาคารสารโลกเอาต่อให้ออกดอกแล้วกลับมาอี้อยเปอร์เซ็นอีแค่สิบเอร์เซนโยมเอาไป อาตมาไปพูดจัด ก, การให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็ต์ได้บุญได้บุญเห็นไหให้ชัดั้ยเนี่ยเข้าใจไ้ยเนี่ยเอาละเข้าใจขอบคุณมากอีกห้าร้อยทำยัดงวันนี้ถือมาวานอดีตที่ผ่านมาจะต้องไปส่งน้ำศพท่านเจ้าคณะอำเภอประเรียนธรรมระโยอายุสี่สิบกว่าปีตายแล้วไปโลกตายกับเบาหวาน เดินไปไหนก็ได้แต่ตายไม่ทํางานขึ้นมาทันทีวาหวานขึ้นน้าตาลขึ้นตายทันทีนะตายทันทีเนียอย่าประมาทนะงมสาวอย่าประมาทนะเอาแต่เรื่องของตัวเองที่อยไร้ลสะละขอฝากไว้ชี้แจงให้เข้าใจไม่จะเท่ตามพคำพีแบบนั้นขอฝากไว้เลยยี่้าร้อยเหลืออยู่วันนี้ได้พันห้ามาวานี้ได้พันห้า ถ้าร้อยใส่ซองบอกขอถาวายในงานศพของเจ้านาเพลนี้นะผ้าไกลหนึ่งไกรปัดใจห้าร้อหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะมอบทีงไหนหมอบได้นะวันนี้สบายมากประยุทธ์ออรอนิชกัลลินเอาผ้าไครมาให้สองไกรหนึ่งทานตาใหญ่สองเห็นหมเนี่ย คนเราไม่ได้คิดข้อนี้เนี่ยอาตมาถึงไม่บอกบุญใครนายเอาไม่บอกคนผู้มีปัญญาเห็นเองอย่าไปเครียดแค้นอย่าไปเบียเดเยียนเขาผู้มีปัญญาหาข้องมาผู้ไม่มีปัญญาอย่าข้องหยู่เบียเดเยียนไม่พักผู้มีปัญญาหาข้องมาใครมีบุญก็ทําเองใครมีวาสนาก็ส่งผลเอง ของไอ้ของมานตามพ้นตามทางปุสลาทำมาปุสลาทำมาปุสสนอาปุสสนเลือกทำมาบุญบาปเลือกทาเอาอยากได้บุญก็ทําอยากได้บาปก็ทำํำผู้เจ้าไม่หา้ามอยากไปสวรรค์ก็ไปอยากไปนรกก็ตามไปตามวิญยาณของบุ ญ, ญกรรมที่ทำไว้ไม่มีปัญหาอื่นมีลิขชทติไหมวันนี้โอ้โหเงินไหลนองทองไห้มา ที่เกียรติจดบัญชีคนจะเขียนบัตรโมธนาก็ไม่ค่อยมีซึงไม่อยากได้การทลายชำเท่านั้นร้อนจึงพระอินหร์เลยพะอินทรส่งที่ประเทศโอ้ยตายหลวงพ่อวสุวันมาวานได้พันห้าหมดแรงโดนบันดาลเ <c oughs> ป่าหมูเทลิ่โุ ล, ละบุญมาแล้ววั น, นงงไปยุ ไม่สบายยังไม่สบายสู้เมาคืนนี้ว่าจะถูกประชุมพระเกิดอาเจีคอลำคออาเจียนอย่างแรงเส้าใจเสียงมากจะตายหรือเปล่าเราก็มาึกเดอือโลกเกาบอกว่าเวลาดีก็จะใช้เวลาไข้ไม่มีใครอากษาหลักเราจำเป็นต้องรักษาตัวเองด้วยอาตายิโนนาโชงอย่าไปหมายพึงคนอื่นมารักษาเรา สี่ใจสามีไม่เอาใจใส่เราก็น้อยใจในฐานะภรรยาระยะป่วยสามีมัวธุรกิจการทงานมากก็นอยเนื้อตามใจว่าสามีไม่รักเรารักตัวเองเสียรักตัวเองหายาคิดเอาเองตายให้ตายไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเลยขอฝากคุณยนศพอเข้าใจไหมเอารักขอบพระคุณมาก ทำในพระใจเสียหลอดลมเยอะเกินอยู่จางกระร้าเอาเศษอยู่นับหนี้พระว่าก็เด็กหอกด่าลระเข้าไปสงน้ำศบกันเนี่ยนี่อย่าไปไปนิทาพระมือเปล่าเมื่อวานเอาชาอย่างนี้การกระตายไปแค่มีนี่เขป๋อกไม่ใช่ว่าไปเป็นเจ้าพาสวดศพ ส, สวดแล้วาเอากราบไปซะด้วยเอาพระเมตัวมาวัดเขาก็ไม่มีจะเลี่ยนกันสิ บอกนี่ครับชายกเอาไปเลยจ่ายท้านปณะอาหารเลี้ยงแผ่ที่มาในงังสบถ้าใสแล้วแต่ชายกจะเห็นสมควรเราได้พระเสป็นร้อยมือเปล่าเราไม่เปล่าต้องเอาไปทำบุญ น, นี่ผู้จัดการธนาคารประโลกโยมให้มาต้องเอาไปจ่ายเหมือนน้าในบ่อ ถังไว้นานมันสกปร ก, กมันจะเนา่าทายไหลมาใหม่ใส่ก็เต่าทับทายแล้วไหลามาใหม่ใส่ก็เตาเป็นต้นมีความหมายมากอย่างนี้เอา น, นี้พระไม่มาฟังเลยไม่ฟังอะเป็นไรเนี่ยเนี่ยไม่มีเป็นไรไม่ฟังอะไรใครยินดีมาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราชอบให้คนที่ต้องการรับที่งอออกมาเลย งอกแบบนี้ ว, นนวันนี้มีคนมาให้สอน <c oughs> เพื่อเราจะไ ป, อ ป, ต, อปตอบุญ้เขาบาปต่อบาปบุญต่อบุญไปคิดเอาเองหากว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงก็ลองไปทําดูเถิดจะได้ขนสมความมาุ่งหมายศาสนาทุกประการมีความหมายอย่าง น, ะนั้นนาคอนนาคอนไม่ไม่ไม่ต้องย้ําแล้วอย่าอย่าอย่ า, ยาทําให้คือทุกข์ทุคข์ไม่ไปท้ายโยไม่ไปไหนตามสบาย ตามสบายชีวิตนี่บุญงอกด้เห็นั้ยเนี่ยอย่าลืมนะคนซื่อสัตว์มีบุญยกตัวอย่างนิทานฉปรและประชาดกมีในคั่งพุทธจารย์สองพันกว่าปีแล้วตกมาเรียนกปรผสมสองต้นสมสามอ่านเรื่องนี้พวกชาวไร่หับฝืนขายด้วยความซื่อสัตย์เลี้ยงครอบครัวด้วยความสุจริต มีขวาเลี่ยมหนึ่งบินด้วยไปสัตว์ปืนลิงไห ม, มนะเรามาขายเลี้ยงอสมาเลี้ยงลูกด้วยความสุสริตธรรมไม่เคยได้เบียเดเบียนของใครมาดูซิจะงอกไหมขวานนี้กลับทิ้งน้ำไปมันหลุดลงน้ำไปนางร้องไห้มาวันยางข้ามไปจังรุ่งหนุนงมดำก็ไม่ได้ขวานก็บินหากินมานาน นี่คนดีใช่ไหมรอนยึดเ ท, เทวดาวลงม า, าขวานมาให้เอาจะดาให้นะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเทวดาวนี่อำนาจบุญไปดามเอาขวานทองมาบอกไม่ใช่ดาเอาขวานเงินขวานนาบมาไม่ใช่ขวานเป็นเพชรประดับรั้งไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ไมโลภมากแล้วท่านทั้งหลายผู้มีใจบุญกับข้าพเจ้า ผูมีความปรารถนาดีกับข้าพเจา้าของที่ท่านดำมณีนี้ใช่ขอทั้งจัสสะเห็นไหมเนี่ย็นชัดเทวดาก็พิจารณาปัญญาโอไอโขนตัดฟืนขายเนี่ยมันมีกุศลสูงต่อไปมันจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเข้าในหลักภาสิติว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้นาออกมาในรูปแบบนี้แนละ้ว เมื่อออกรูปแบบเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไรจอวะให้โลกไม่อยากได้สมงัติเทวดาเห็นใจจึงยกสมบัตินี้ให้หมดทั้งขวานทองคําขวานเงินขวานหน้าขวานเพชรเจ้าชาวไร่นานนะั้นที่ตาคุณขายไม่ดีใจไม่ดีใจเลย เลยเขาก็าดามาใหม่นี่นี่เนี่ยของ ข, ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหากินเลี้ยงลูกมาเจ็ดแต่คนแล้วลูกข้าพเจา้าก็ดีทุกคนถึงยากจนก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปหลอกลวงใครแน่ๆนี่เนี่ยข้าพเจ้ารักขวานี้มากเพราะขวานอันนี้เนี่ยทำมาหากินมาเหมือนตะไคแก่หาเพงเป็นมหาเศรษฐีอยาเก็บเคนคาไว้เนี่ย เก็บให้ทานเขาไว้ปิดทองให้ลูกดูนี่เนะี่ยลูกหลานอาคงเนี่ยหาเลี้ยนเจ้ามานะต้องบูชาความดีอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีออกมามีรถเบนซ์เลยพ่อแม่มันมีรวยแต่ไม่นึกว่าพ่อแม่อยากจนมาก่อนเหมือนก็แไปนี้นี่คนดีคนที่มีเทวดาช่วยอย่างนี้นะ ได้ผลออกมาในล็อกนี้แน่นอนไม่ผิดล็อกในผิดความหมายนี่เลยนะซื่อสัตว์สุจริตจริงๆยกตัวอย่างดูนี้ม่มาจามชื่อมายาลูกหลานของแม่ชะลวยจะอยู่ชึงบุรีเนี่ยมาบวชทุวัติกีนี่ยกตัวอย่างคนซื่อซื่อไรเลื่อมซะแล้วลูกแม่ชะลวยเนี่ยเป็นยา ก, กิจารมาบวชทุวัติีเสือขาลาเพศไปตอนนี้มีขอ้อผูกยางไม่ทราบ แล้วก็ไปไสรถขายที่สิีบุรีเนี่ยไม่โลบมากก็แค่ล้างสาวไปก็บอกไอ้เออชี้เลยช่วยชวยช่วยน่อยนะเอาสายของมาตรงนี้แล้วคืนรถขายเยื่เฉยๆบางไม่ลงรักนี้ก็หายสตางค้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวรอพก่อนเก่อนเอาก็คืนเอาเทงนี้เอง มีไหมเนี่ยคนดีเลยมีคนเดียวแบกบเผือจอดุกขางเลยเอาเท่านี้เจ๊เอาเท่นเาทนี้ไม่เอาเอะ ห, ห้าให้กับ5บาทสีบาทไม่เอาเอา2บาทเอา3บาทนี่เป็นอย่างไงหายากคนหายากลูกไม่ชั่วรวยจะซื้อบริษัทจริงๆ ไม่เอาเพื่ไม่เอาเออน้เอาไว้ใช้ไม่เอาครับไม่เอาครับเอาคืนมีไหมแบบไอ้พวกสจ้าของขวานนะโยมนะเห็นทัดนายฉลวยมาหรือรเปล่ายกมือก็ีจอยู่นมาเนี่ยนี่แม่เขาเนี่ยนี่นี่พยานบุคคลยกมือหน่อยนี่นี่คนนี้นี่คนนี้โลกชายพวกเนี้ยนะด่าลูกสะพ้ายยานัน เอาหาซะใครอยากจะเอาคนนี้มาเป็นสามีอเอาเลยดีสามีสาวูมีสาวนี่ไหมเหมือนไอ้เจ้ของขวานไม่อยากได้อยากได้เพ้าของตัวเองนะเนี่ยของดีนี่แม่เป็นตุย่าน ห, หลายลายไม่ใช่เลยขอฝากมอบได้คนตระเพทนี้ไม่จนให้จนนะเนี่ยอีกคนหนึ่งไอ้โลกมาก็เห็นเขาได้อยากจะได้แบบเขา ก็มาร้องไห้เอาขวานทิ้งน้เดี้ยวก็ร้องไห้ร้องไห้อยากได้ขวานทองคำกับเขาบ้างแต่ใจคดลาลกอกภูลนระดับคนประเภทเฉงแกตัวคนประเภทที่เลวร้ายเนี่สงคบร้อนท้เทวดาก็มางมให้งมให้เลยงมอะไรขวานทองคำใช่ของคุณไหมโอ้ยนี่แหละเล่มนี้เนี่ย เร่นี้เนี่ยกระบองนะกระบองนะเดี๋ยวก็ได้แหวนขวานเพชรขวานหน้าขวานเงินมานี่เนี่ยของข้าไปจับเลยเทวดาก็บอกว่าไอ้เจ้านางโง่ไอ้อยู่พวกปุถุสกับหลบมาขนาดนี้นเนี่ยขวานต้องเธอหาใช่เรื่มนี้ไหมเรามาลองใจเจ้าดูน ไอ้คนโน้นนะมันต่างกันกับพวกคุ้นไม่ดูสิพอได้ขวานทองเขาก็ไม่สนให้ก็ไม่สนแต่ขวานอันที่พึ่งตนมาตั้งแต่ก้อนบินด้วยแล้วยันก็ไม่พายด้วยไม่ยีเท่าไหร่แต่ทําไมเขาน้ําตาร่วงชื่นใจได้ขวานคืนมาชนะนี่ของเขาเนี่ยเขาไม่อยากการคนอื่นเนี่ยเอาปากไว้เดี่ย มีลูกชายไม่ฉลวยไม่เอาตังเพิ่มไม่เอาเอาเท่านี้มีคนเดียวที่สิงบุรีราคาอยากได้คน ร, รีบเอาไปทำลูกเขยซะบัดนี้นีพูดเล่นถ้าเป็นจริงได้คงจะดีหาคนลูกเขยขยัขยนหน่อยแล้วซื้อสัตว์ไปต่อไปหาลูกเขยมีลงเสีลูกเขยคนดีมีเศรษฐีข้ามไปามหมดเลยหนีเรือ นี่เขาชอบบาดู่เขยอย่างนี้กันศักดิ์สิขับรถเบ้นงั่นน่ะโศุูรีไม่รู้สอบนี้ลูกเขยถ้าดีมีศักดิ์สิเป็นเศรษฐีในเมืองสิงสามปีแหลกเลยพอสามก็เรียกนี่หรือคนธรรมากินที่ซื้อสัตย์สวยร่ำรวยฉาบไปฉาบมาเหมือนบุรุษคมลอยและเศษมนุษย มีหลักฐานจะประการายเขาชอบรูเขย อ, อย่างนี้กันชอบรูสะพายมีศักดิ์ศรีเอาไว้ให้แม่ผัวหุมเห้าให้กินเป็นคนดีในสมคบขอฝากไวเนี่ยเอาอยัางไงก็ไปเลือกเอาธรรมาบังคับไม่ได้เลือกเอาเถิดควรได้ซื้อสัตว์เท่านั้นเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าสุดสะหลีกเป็นนิสยนันประหยัดให้มากหันหลังให้บายมุก อย่าหาความสนุกในช่งโคงที่เป็นตัวอับปรีจังไรในครอบครัวนี่ข้อนี้นี่แหลเงินไหลนองทองไหลามาจนเงินโจนทองก็ไม่สำคัญเป็นคนดีเทวดาช่วยผีก็ช่วยสามเวสียากลายก็เข้ามาช่วยถึงคราวมวยก็ไม่มวยมรณาเพราะซื่อสัตย์สูสลิต ยึดมั่นในคุณธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสุตจารยนี่แหลลูกศิษยบวชเงี้ยได้ดีเนี่ยลูกไม่ชลวยแน่นอนแต่ไม่มีใครสนมั้งหรืออย่าไปทําลูกเขยถึงหากว่าไม่ทำลูกเขยก็ทําลูกจามขอหาได้ยากลูกจามที่สุดตรีเช่นนี้แค่รับจา่าผมให้สีพียังไม่เอาไปอยู่กับเจ้านายมันจะไปเอาเขาหรือ จะไปรักเขาและแต่เขาให้สียังไม่เอาเพราะว่าเกินค่าแรงค่าแรงสามบาทให้ต้องห้าบาทไม่ออานี่หายากขอฝากขนุก ด, ดีของลูกไม่สลวยไว้ในที่นี้ด้วยนี่มีพยานนะโยมนะไม่ใช่พูดเล่นนะ น, นี่เป็นอย่างยิ่งสิตทำเฉพาะพอเหมาะสมของตัวเองไม่เถือเยานไม่เอื้ออาบไม่บังอา กับคนที่มีพระคุณไม่เอื้อมอากับคนที่เขามีราศีเว่าตัวดีตัวนี้ยังไม่สามารถจะเอื้อมอาและบางอาเกินไปเหมาะสมรู้จักเด็กรู้กับผู้ใหญ่รู้จักฐานะขั้งตอนการเจริญมีปัสนาก็ต้องการเข้าในจุดนี้เช่นอยู่กับเห็นไหมชัดชัดเจนนะมีเงินไหลนองทอมไหมาผ้าไกลงอกมาแยก ไม่มีที่เก็บระบายมากออกเข้ามามากน้ำในบอ่อเอาเก็บไว้นานๆศกก็ปลกมันจะน่าระบายนั้นออกไปเดี๋ยวใหม่มาแทนใสกเก่าลองดูนะลองดูลองดูไป ค, คิดดูให้ดีถ้าน้ำในบ้านใครไม่มีระบายมันก็สกอกปลกถ้าติดใจก็ลามกไม่พัก มมนมีโอกาสที่จะเกิดลืมตาเกิดแสงสว่างในสงขเพิงก็ตัวมากมันมีการช่วยเหลือ